ไอ้ว่าต่อหน้าเมตตาเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยเหมือนเลยหมายความว่าคนเราเนี่ยที่บอกว่าต่อหน้าอย่างไง ร, รับหลังอย่างไงมันก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แลนี่ก็พูดนี่เป็นจำนวนไงคนทุกวันเนีงง่ยไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าคนจะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นยังไงไอตรง น, น, นี้เยอะหม ด, ดแล้วมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนที่มานะ เขาไม่รู้ออสถานการณ์ในยุด ต, ตรงนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วเราลองมองเขาที่เนี่ยมองเหมือนอะไร<ม>เขาประกาศเป็นโพสเปนหัวดาหัวงอกกันหอดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เน่ยลองดูสิอันนี้ลองดูเ้อะนี่มันดูทุกเรื่องดิเราก็ยังไม่ค้นขนานงานนั้นเราอาจจะดูตรงนี้ว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกเราปฏิบัติไม่ถูกจุดนี้แต่บางจุดเราปฏิบัติไม่ถูกเลย เใช่ไหมเราปฏิบัติไม่ถูกอีกเยอะหมดเลยเช่นการการที่เราอันนี้แค่ว่าจารีศีลเราก็พังมันเสียจารีศีลนะยกตัวอย่างเช่นว่าเออกับเพื่อนเราไปขัดเคืองกับเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนผิดเนี่ย้าเสียจารีศีลนเสียเพราะจารีศีลเสียวาลีตาศีลมันจะตั้งได้ตรงไหนตอนนี้มันก็หกขเมียนหมดเลย พอเราปฏิบัติต่อพ่อก็ผิดต่อแม่ก็ผิดต่อน้องก็ผิดต่อพี่ก็ผิดใช่ไหมต่อเพื่อนไม่เลยต่อสิทธิวิหารีต่ออะไรมันผิดเนี่ยเราเสียจารี่ศีลเขาจะว่าเราไม่ได้อบรมกายไงที่พูดตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้อบรมกายเนี่ยตรงเนี้ยงั้นคนที่เขาปฏิบัตปิปรวัดต่างๆข้อวัดต่างๆไม่ถูกเนี่ยก็เสียจารีเสียจารีประเพณีเราก็เรียออกวิจารีประเพณี จารีตไม่ดีหราเรตีดีอะไรเงี้ยก็เข้าอยู่ในอักข้องศีนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเขาเดินเขาเดินจารีตเดินอกุศลก็พีตีแต่เนี่ยบางคนเป๊ะเลยนะปฏิบัติกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกันอะไรต่างเป๊ะนะแต่ปฏิบัติด้วยอกุศลเอาผิดเดียเพราะคุณไม่เดินศิษฐ์ขาคุณไม่เดินศีน่ะคุณไม่ไม่เดินศีนในการปฏิบัติคุณก็ปฏิบัติดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเขาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็าลำบากมาก เขาใหญ่นะเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่ภรรยาเนี่ยลําบากมากเนี่ยนะเขาต้องทําหน้าที่สามีเนี่ยลำบากมากเนี้ยเป็นต้นนี่ก็เราเสียจารีเขาเห็นไห้ตายกับเพื่อนตัวนี้แล้วเขาต้องอดทนลําบากมากเขาต้องทนอยู่นั่นแหละเนี่ยนี่เสียจารีเคยเป็นไหมนะตัวเราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเป็นอาตมาก็เป็นเนี่ยบางบางครั้งบางประการไม่ใช่ไม่เป็นผมต้องวางใจยากเลย นั่อจารีจารตีต้องปฏิบัติให้ได้ต้องผ่านหลักจารีตให้ได้แต่ไม่ใช่ปฏิบัติอยู่แต่กับจารีจารีตวาลีไม่เอาไปพร้อมกันก็ให้พร้อมกันนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมถ้าอยางนั้นโอ้โหตรงนี้ยังไม่ได้หรือก็ไม่ทําอะไรเลยก็ไปใหญ่เลยทีนี้ให้มันมาเกือ้อ ก, กูลกันตามปัญญามากๆมันจะไปเกือ้อกูลาจารีตไอ้เกื้อกูลวาลีเกื้อกูลสมาธิเกื้อกูลปัญญา ก็จะให้มีเก an ื hi, ้อกูลซึ่กันและกันไปอย่างนี้เรื่อยๆรืๆรืๆเื่ยเนี่ยเขาทําอย่างนี้ไอ้อานมาเนี่ยเป็นที่ว่าออกมาเป็นคนอธิบายละเอียดเนี่ยไม่รู้ไอมาคิดว่าไอมาละเอียดที่สุดในเรื่องของจารีบบาลีเนี่ยถ้าที่หลักการวิธีการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยคืออานามามองว่าเขาไม่ค่อยเน้นยืนตรงนี้ไงอานามาเนี่ยเน้นแต่เน้นแล้วไม่เห็นมันไม่เห็นผลตั้งกี่อะไรจริงๆมันอาจจะมีผลยังไง ไปเนี่ยเอายารีดต่างๆกลับมาก็แต่อย่างว่าเขาไม่เห็นตัวอย่างมันต้องเอาตํารามากลา้วคุณต้องต้องขีดเส้นชี้เลยอะถ้าเนี่ยตรงนี้มันปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างถ้าพูดถึงจาลีดเนี่ยคุณก็จะเป็นยาลีดสิอ่ะเอาเข้าใจเนปะ็นคําว่าจารีดเอาสมมติว่าปฏิบัติต่อเพื่อนอ่ะาอ่ เอ <c oughs> เอว่ะที่บอกว่าต้องมีเมตตาใจกับควมจริกันทังนั้นแหละปฏิบัติต่ำื่อนกันแล้อย่างนั้นน่ะไป็ตัวอย่างนี้เป็นตัวล็อกนั่นน่ะเป็นตัวล็อกทําให้เราเดินเดินได้ถูกนั่นจุดนั้นนะกายกรรมวิจีกรรมรมโนกรรมอ่ะทั้งตัวหน้ารับหลังอันนี้เป็นตัวล็อกแต่มันมีระเบียบปฏิบัติอยู่ใช่ไหมในเสียขีวะหรือในถ้าเป็นเป็นของคารวาทั้งหลายก็คือในขีปฏิบัติ เออใ่ไหนั่นแหละอันนั้นคือจารีปเอาที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือจารีปทีนี้พอที่จริงกับเขาข้อวัดใช่ไหมที่ถิงก็บอกนะพอบอกไปแล้วมันก็ฝ่าว่าวแล้วก็สังเกตใช่ไหมปกติบอกก็สังเกตถูกก็สังเกต พก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเจ้าบรรยายเขาบอกว่าเขาจะพูดเรื่องนี้สามเดือนพูดทุกวันทุกวันยอมกาฟังมนทุกวันทุกวั น, วนพูดพูดพูดไปพอออกภาษาถามสารณ ค, ณคมเพื่ออะไรไม่เข้าใจค่ะจะเลิกเทกเลย <c oughs> เลิกเลยก็ว่าส <c oughs> ก็เข้าใจาเป็นมาหลายสูตรก็ความหมายก็คือว่าทำที่ทําให้ใจ ล, ลึกถึงกันนั่นแหละนั่นัเป็นอัยาสิยะใสไงใช่ไหมอัย า, ายริยะใสขัตว์ไปเทศต์อีกคนนึงเนี่ยถ้าพูดอย่างเนี้ยเขาแทงตลอดได้ถ้าพูดอีกคนนี้ต้องพูดอย่างนี้เขาถึงจะแทงตลอดเพระองค์ก็ยักย้ายว่าทำอุทิศไปตามจริตอัจฉริยะใสานั่นก็กเลยเทศนาวิราชเข้ า, าใจไหม ที S <S <ý> <S ời, nh ่ที่โยมถามเนี่ยก็เพราะว่าบางคนเขาใช้แบบอานานิทานนีเพราะที่เขจะหมายถึงสาระเนี่ยเปิดกรชื่อตอย่างเงี้ยแล้วแบบางคนไม่ได้เจอให้อานเจอสูตรา่ทนี้เนี่ยโยมก็ไปเจอเองนะคือแบบโัต้องรู้ไปสาระไปเจอไปสอนสูตรเนี่ยก็ใช่ก็อันเดียวกันก็เหมือนกับครับว่า ก็ใช่ที่ที่ตรัสอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมก็ดังที่ได้กล่าวไงคนละวาละคนบุคคลคนละสถานที่แสดงแล้วผลมันเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังอลองแปลออกมาดิอันเดียวบันเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมใช่ไหมถ้าอภิริหานี่ทำใช่ไหมมีแต่ความเจริญไปเดียวใช่ไหม บางทีพยานชนะต่างที่อาจฐานเหมือนกันไหแล่ะเหมือนไหมล่ะเจ็ดประการศ น, นั้นก็กล่าวในเรื่องอะไรเล่ะเพิ่มอะไรขึ้นมาสถานการณ์ไหนล่ะอัธยาศัยของสัตว์เป็นยังไงถ้ากล่าวหกไม่ได้บรรลุเนี่ย ต, ต้องต้องเพิ่มอีกอันหรือเปล่าเออต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งที่ได้บรรลุเพราะบางทีเนี่ยกล่าวถ้ากล่าวหกล่าวเจ็ดยังไม่ได้บรรเนี่ยพวกกล่าวเป็นร้อยหัวขอ้อ เก่าเป็นพ so? okay, like, mm ันเก่าเป็น hmm. ร mm ้อยเนี่ยนั่นแหละคือพระมหากรุณานั่นแหลคือพระก็มหากรุณาเป็นปัจฉละมาเนยะค่ะค่ดนะก็ที่ร้อยแปกันไม่ว่าจหาเวชนาร้อดกนแต่ถ้ามันัสก็อย่างพวกเรานี่แหละสัตว์ไม่ได้ตัดสลุ่อ่ะฮทั้งร้อยแปดก็ไม่ยอมไม่ยอมเข้าใจกันเล อ่านะต่อไปก็ข้อที่สามเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าคือพรอมสิกขาสามนประชุมสิกขาสามเราจับเวลา ก, กายยาคตาสติที่สงหะลคดด้วยกุศลก็หมายความแบบว่าเวลาท่านเจริญกายยาคตาสติที่จริงท่านเจริญท่านชำนาในอานณาปณะและกายยาตา หลังจากที่ท่านมากัะสปารับโอวาทั้งสามประการนี้เบียเสร็จแล้วพระมหากัะสปาไาแล้วกับทานานนท์ภายหลังมาดูก่อนผู้มีอายุเราเป็นหนี้บริโภคค้อนข้าของราชฎรอยู่เจ็ดวันเออหยุดอยู่เจ็ดวันนี้ ว, นวันที่แปดก็ไรลุกเป็นพระอรหันต์เนี่ดยดยความที่ท่านทำแบบเนี้ยความอ่อน น, อน้อมทำไม่ได้ตัดสิุนเราน่าจะแข็งกระด้านมาเลายสาบ ส, าสาแล้ ว, วนลันมาบินสัตว์ เป้าวัตถากันอยู่ทุกคำเขาว่ากูหมดเลยเลยไม่เข้าใจพระธรรมเลยัวนี้ก็ไม่ให้คิดอย่างดีเนาะไหมไอใครไงีที่ก็บอกโอ้โหว่าใครเนี่ยที่เก่าควาหลาอยู่เลยเธอก็เหมือนโดนตัวเองกลยเธอเทอมน้อมอยางไง ว, ว่าไงบ้านี่ เธอน้องมีงเป็นเีอว่าร่อยๆกันเขาบอกว่ า, วาเออเขาพู ด, พ, ดพูดมาเหมือนกับมันมันถูกเราแต่มันถูกแล้วเธอน้องขัดเกาจริงนะที่พระเจ้าตัดใช่ไหม เ, ออเธอไม่ได้คิดว่าโอ้พระว่าเราเลยที่อ๋อจริงอย่างที่พระเจ้าตัดเราเราเป็นสาที่ขัดขัดเก่าย้าเออนาะถึงพระเจ้าเลยเนี่ย น้อยมีเลยก็กลับเข้าไปในเรื่องการเจริญพุทธคุณกันต่อเนะเออเจริญพุทธคุณในข้อที่ว่าอาลหังเนี่ยนะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นอยู่ในข้อของคําว่าหักกรรมหสังสาระจักยังไม่จบเล ย, ยใช่ไหมหักซี่ก ร, รมหนึ่งสังสาระจักในข้อเห็นการหักซี่กา ร, รมหนึ่งสังสาระจักก็คือเกี่ยวในเรื่องของวตฏะนั่นแหละเนาะในเกี่ยวกับเรื่องของวัตฏะสาม กิเลสวัตกรรมวัตวิปากรรวัตนะท่านโดยนิปริ ย, ยสังขารจัดเป็นกรรมภพเนาะจัดไหมสังขารเป็นกรรมภพเจตนาก็เป็นภพเนาะดังที่เดวบอกว่าก็เล่าไปตามลําดับเลยนี่ก็ไดนขึ้นอีกข้อใหม่นะในข้อของคําว่า อ, อกรรมภพตรง น, นี้ก็โอ้โหท่านขยายขยายค่อนข้างเยอะนี่นะก็คือว่า สังขารแล้วพบจักเป็นกรรมส่วนธรรมทั้งหลายมีวิชาเป็นต้นก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันนะนะเพราะพึงเห็นเสมอด้วยกรรมและเป็นอุปกรณ์อุปการะขั้งกรรมนั้นนั้นเพราะเป็นเหตุเพราะเหตุที่มีกรรมเป็นสหายถามว่าอาวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยก็เกิดร่วมกับกรรมไหยเกิดร่วมกับเจตนาเนาะก็เกิดร่วมกับเจต น, น, นาแล้วก็เขาเป็นสหายกับเจตนาเขาเป็นเพื่อนกัน แเขาเป็นเพื่อนกับเจตนาฉะนั้นเขาสามเขาก็เลยทําให้เจตนาโกรธขึ้นเขาในธํานองบอกว่าเขาเขาเนี่ยจะเป็นปัจจัยกักให้เพื่อนนะว่าั้นนะเพราะเจตนาไปเคาก็บโมหะนั้นเจตนาก็เลยสร้างเลยสร้างปฏิสทธิวิญญาณเลย น, ะนี่เขาเรียกว่ามีสังขารจัดเป็นกรรมส่วนธรรมทั้งหลายมีวิชาเป็นต้นในน้ำมีวิชาท่านก็เรียกว่ากรรมเพราะเห็นเสมอด้วยกรรมและเป็นอุปการะแก่กรรมนั้นเหตุที่เป็น เที่ยที่มีกรรมเป็นเพื่อนกรรมทั้งหลายเนี่ยวิชาเป็นต้นชี้ว่าบัณฑิตพึงเห็นด้วยการด้วยเสมอด้วยกรรมท่านบอกว่าบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยต้องเห็นด้วยนะว่าอวิชชาเนี่ยพึงเห็นว่าเสมอกรรมอวิชชาเนี่ยมีความเสมอกันารเจตนาไม่ต่างการเจตนาเลยว่างั้นมีความเสมอเงนเพราะเขาเป็นสหายเพราะมีกรรมเป็นสหายเพราะมีความเป็นธรรมที่เป็นวิบากเป็นธรรมดาคืออวิชชาต้องมีวิบากใช่ไหม วิบากของเขาก็คือเจตนาฉะนั้นจะไปต่างอะไรกันล่ะเมื่อวิชาเกิดนะเจตนาเขาเกิดเนี่ยนะชื่อว่าเป็นอุปการะแก่กรรมโดยที่สุดแห่งศาสชาติปัจจัยนะเขาบอกขนาดศาส า, า, าติปัจจัยชัดเจนอยู่แล้วโอ้โหเกิดล่วงอยู่เลยไหมถ้าและโดยที่สุดนิสยะเป็นที่อาศัย จนิสยาดโดยสหเป็นสหาชาตานิสยาใช่ไหมก็ได้เกิดพร้อมด้วยวิธีอาศัยก็เอาหรือเป็นอุปนิสยะก็เอาโดยความที่ต่างขนาดก็ก็จัดเห็นไหมต่างยังไงนูน่นอาวิชาในพบก่อนมันเป็นปัจจัยแก่เจตนาในพบนี้เอาสิก็เอาก็ให้เห็นโอ้โหขนาด หรือเจตนาที่ในโมหะนี่นะโมหะที่ไหนอกุศลนี่เป็นปัจจัยเก่เจตนาในารูปห่างกัไนะ้ไม่ไดยทำคนละชนิดกันเลยอย่างนี้ก็เห็นไหมอุปนิสัยได้เขาให้ผลได้เฉลยว่าโจรเป็นปัจจัยเกี่ยวกับตรวจเ mm hmm. ข้าใจไหมถาว่าตำรวจเนี่ยที่ยศขึ้นเอาขึ้นอาน เ, าเนพราะอะไร นั่นแหละไหมนจนจึงเป็นอุปนิสัยปัะจัยแก่งำรวจเพราะเยอะๆใบไม้จะไปะไขอบคุณเทวทัศน์กับยุ่งมันไม่ใช่หรอกแต่ไม่ใช่ว่าเทวทัศน์ไม่เสียหายเนี่ยถึงไม่มีเทวทัศน์นี้อย่างอื่นพระเจ้าก็มีเยอะแยะไม่ต้องไปอยากเป็นเทวทัศน์เพราะเรานะท่านถึงได้บำเพ็ญบรารมีอย่างไปคิดอย่างเนี้ย อันนี้มันถูกน้องเดวะาักเคยิดไหมล่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ท่านอดทนนะท่านเย่ผึกฝนไงะฉะนั้นทําให้ท่านโกรธบ้างทําให้อะไรเงี้ยเคยคิดไหมคนบางคนเป็นอย่างนจริงไงน้องถ้ายอมรับตัวเองไงก็ดีคือบางคนเป็นอย่างนั้นเลยนะคือมันถนัดบางอย่างใช่ไหมไม่ถนัดบางอย่างไอ้ที่ได้สมัยก่อนนี้ก็บอกอะไรนะ ไม่ยอมอันนี้เป็นไปน้อยใจไม่ยอมตั้งไม่ให้ไม่ยอมให้ตําแหน่งเขาเป็น้อยใจไปไปมาก็เอ๊ะก็อยู่มาก่อนทำ่มอีกคนมาทีหลังขึ้นเอาขึ้นเอาตาแหน่งคนความต่างนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้แต่ทําไมที่เราไม่เป็นมันมีเหตุปัจจัยอีเยอะที่เราไม่รู้ ที่ไปเมาส่งว่าโอ้เขาประจบประแจงเขาได้ไดี๋วได้ดีไฟเลยนีนิมันไม่ใช่แค่ปัจจัยนั้นมันมีหลายปัจจัยเยอะที่เราไม่รู้คนเรามันอธัธยาสายสั่งสมมาไม่เหมือนกันเองฉะนั้นบางคนต้องรู้ตกจากตัวเองให้ดีแล้วมันเป็นเห็นการณยึดจริงๆนะก็เหมือนบางคนมียอดมีามาสาวบรรดาศักดิ์คลัวที่สวดการมีเสียงกลัวมากถ้าออกจากตำแหน่งขึ้นมาแล้วมีบ น, นิสุทธ เงีดี๋ยวดูทีออกมาหมดสภาพเลยนะจะพูดจะจาที่คนไม่ค่อยเชื่อถือมันกันอยู่ตรงนั้นแหละมันมันต่างกันจริงจริงตรงนี้เลยเราอย่าไปติดมันเข้าให้ตรงนั้นใช่ไหมเช่นเราตอนนั้นเรามีเงินเนี่ยโอ้โหคนรับถือเยอะเนี่ยพอเงินหมดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะรู้จักเราเนี่ยนี่เรื่อปกติเลยนะบุญมันค่อยค่อยหมดเรารู้ตัวเพราะบุญมันให้เที่ยงคนก็บุญจะเที่ยงใจใหญ่แล้วใช่ไหมเขาใยายอะไรตรงนี้ยไม่เที่ยงหรอก สถานการณมันก็เปลี่ยนเปลี่ยไม่มีใครถูกยอมแล้วตลอดการเมื่อเช้านี้ก็ไปวินนบาะก็เจ อ, ยอโยมโอ้แต่ก่อนไปที่ไหนนีคนนี้เกณยายนคนมีดนต่ตอนนี้สภาพร่างกายเยอะเดินสะโค้งจะไม่ไหวนลยทั้งๆ ท, ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ความเกณยายถูกลดลงเยอะไหมล่ะพึ่น้องจะเกณยายเยอะอย่างเหมือนเดิมมเลยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คนคือจะหมดวุนิ่ะ ระดับสูงสุดของแผ่นดินก็ทํานองเดียวกันจนกระทึงขนาดระดับลาภยาถ้าสภาพบุญมันจะหมดก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจนะถ้าสภาพบุญมันจะหมดมันก็เป็นเป็นเป็นไหนเข้าไหนเข้ก็ไอ้ที่สิ่งดูเหมือนคนเคยบูชาไอ้เสียงที่บูชาก็จะกลายไปได้หมดมองเห็นยังมันเป็นอย่างนี้จริงๆงมันจะค่อยๆหมดลงหมดลง ในสุดจริงๆก็นั่นแหละไม่มีอะไรเราจะอยู่กับทิฏฐิหรืออยู่กับปัญญาดีฮะจะอยู่กับทิฏฐิหรือปัญญาเออจะอยู่กันด้วยศรัทธาหรือความไม่มีศรัทธาแต่นี้นั่นแหละและตอนนี้มีหรือยังก็ต้องดูเลยถึงอย่างนี้มันต้องทำให่เกิดจะปัจจัยเพ่อี่อาศัยมันเกิดเองดีไหมละ ความเป็นธรรมที่มีวิบากเป็นธรรมดาชื่อว่าเป็นอุปการะแก่กรรมโดยที่สุดแห่งสาชาติปัจจัยและแม้โดยที่สุดแห่งนิสัยปัจจัยเป็นต้นดังที่ได้กล่าวในะอุปนิสัยด้วยการนั้นเองเป็นธรรมชาติเกี่ยวเนื่องซึ่งการลการชื่อว่ากรรมวัดเพราะอาจจะว่าเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆก็เลยกรรมวัดมันหมุนอยู่บ่อยๆมันเดินอยู่บ่อยๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆดับเกิดดับไปบ่อยเนี่แหละททั้งห้ามีวิญญาณเป็นต้นนะวิญญาณน้ำโลกกระไรยนั้นภาษาเวทนานี่แหละทำทั้งห้าเนานะ วิญญาณนำโลกสรารยชนะภาษาเวทนาจัดเป็นวิปากวัฏในปัจจุบันนะรือในบัดนี้ในแก่ในอัตภาพนี้แม้ในะคำว่าย่อมเป็นอันถือเอาวิชาและสังขาร น, นั้นันนเที่ยวก็พึงเห็นว่าท่านถือเอาวิชาด้วยสาวว่าตัณหาเรวัฏ า, านโดยความเป็นกิเลสและกรรมเสมอกันเหมือนอย่างในในก่อนท่านยิ่งถือเอาสังขารด้วยสาวว่าพบก็หมายความว่าเออกรรมในปัจจุบันนี้ก็มีตัณหาเนะี่ย เป็ตัวเกิดร่วมไปเนี่ยโดยฐานะว่าเป็นสหายนี่ยตัณหาก็มีครามเป็นสหายมีเจตนาเป็นสหายในยปัจจุบันในพบเขาเรียกพบเลยกรรมมพบไงกรรพบคือเจตนาในปัจจุบันเนาะสังขารคือเจตนาที่ในอดีตเอกประการหนึ่งถือพบแล้วก็ย่อมเป็นการถือเอาสังขารอันเป็นภูภพากด้วยอันสับยุดเก็บพบแล้วได้ทราบว่าตัณหาและอุปาทานก็ย่อมถือเอาอาวิชาอันสับยึดกับตัณหาและอุปาทานนั้นด้วย ใช่ไหมพอเรามาจัดองค์ของปฏิจจาเนี่ยถ้าอย่างนี้จัดอย่างเนี้ยถ้าจัดกรณีที่อดีตเหตุห้าปัจจุบันผลห้าปัจจุบันเหตุห้าอนาคตผลห้าเป็นนี่อาการยี่สิบเนี่ยจัดนี้ได้ไหมอดีตเหตุห้าก็คืออวิชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมอภวะใช่ไหมเป็นห้าไหมถ้าปัจจุบันผลห้าวิญญาณนามรูปจรายตนาภาษาเวทนา ห้าไหมปัจจุบันในเหตุห้าก็คือตัณหาอุปาทานกรรมปภะอวิชชาสังขารอนาคตแตผลห้าก็คือวิญญาณนามรูปชราเยตนาภาษาเวนาที่จะไปเกิดในอนาคตแล้วก็พ่วงมาด้วยชราได้หมดแล้วแค่ชราหลดมล้วนะลาานนไปเกิดแก่เจ็บตายก็ว่าไปเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายกันอยู่เนี่ยอย่างนี้เข้าใจดีไหมพอทำความเข้าใจอย่างนี้เนะี่ย พอชัดขึ้นเนาะก็ใครควรไปเรื่อยๆถ้ามันง่วงก็ยืนฟังอย่าไปทางนะไม่เวลา ย, ยืนฟังคนรเขาดิ้วเขาลบแต่ถ้าง่วงเนี่ยหลับเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ถูกก็ยายเลยนะสมมติมีแน่วิธีฟังธรรมถ้าต้องการให้บุญเกิดอีกประการหนึ่งเมื่อถือเอาพบแล้วก็ย่อมเป็นอันถือเอาสังขาร น, นั่นเป็นปุมประาของพบนั้น นะหรืออันสัมยุ์กับภพบนั้นและได้ทราบว่าตัณหาและอุปาทานก็ย่อมถือเอาอวิชชาที่สัมยุญกับตัณหาแอุปาทานนั้นด้วยหรือเป็นเหตุที่คนหลงย่อมทํากรรมได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงย่อมเป็นการถืออวิชชาและสังขารได้ทราบว่าตัณหาอุปาทานกำมาว่าเป็นต้นอันนี้ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงบอกว่าเพราะอายตนะแกบแล้วในภพนี้โมหะจึงเป็นอวิชชา การประมวลมาเป็นสังขารความไข่เป็นตัญหาความเข้าไปหาเป็นอุบาทานเจตนาเป็นพบทำห้าประการดังกล่าววันนี้ในกรรมภพนี้จัดเป็นปัจจัยแกป่ปฏิสนธิวิญญาณในอนาค ต, ตอีกต่อไปโหน่ากลัวมากเลยสัตว์ทั้งหลายในสะิ่งจี่เจตนาอย่างนี้น่ากลัวมากน่ากลัวตรงที่ว่าอาจจะอา ย, อายตนะที่แก่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั่นที่แก่แล้วโมห oh ะ ก็เป็นอวิชชาเนาะคือความหลงนี่ยการประมวลมาก็เป็นสังฐานเจตนาก็ประมวลประมวลเวทความไข่เป็นตัณหาการเข้าไปหาเป็นอุปาทานเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเข้าไปยึดมั่นในเนี่ ย, เ, ยเจตนาเป็นพบทำทั้งห้าประการดังกาวเนี่ยเป็นกรรมปพบนี้เป็นปัจจัยแก่อนาคตผลห้านะ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณนามรูปสารายัตนะภาษาเวทนาในอนาคตอีกต่อไปเราก็ไปปฏิสันทิในคำว่าอายัตนะนะแก่แล้วในพบในะท่านภาษาริบุตรแสดงสัมโมหะในการที่บุคคลผู้มีอายตนะแก่แล้วก็กระทกรรมนี่ยก็กระทำกรร ม, ก, ก, รรมก็คือในหลงนั่นเอง กิริยาที่ตั้งลงแห่งความเกิดและความแก่และความแตกทาลายของวิญญาณของนามรูปของอาญาตนาของภาษาของเวทนานั้นท่านเรียกว่าชาติกิริยาที่ตั้งลงอ่ะคือการเกิดเนี่ยนะแห่งความเกิดความแก่และความแตกทาลายของวิญญาณนามรูปตรายาตนาเพราะวิญญาณนามรูปตรายาตนาภาษาเวทนานี้เป็นขันห้าฉะนั้อาการที่ขันห้านั้นน่ยตั้งลงแล้วย่างลงแล้วเนะ ตั้งลงเห็นความเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วก็มาแก่แล้วก็มาตายเนี่ยนะเนี่ยนะอันนั้นก็คือการแก่ของนามรูปของวิญญาณนามรูปตลารได้ภาษาวิถนาเนี่ยท่านเรียกว่าชาติเรียกว่าชลาใช่ไหมการเกิดเรียกว่าชาติความแก่หงอมเรียกว่าชลาความดับไปเรียกว่ามรณะเห็นไหมนี่เรียกอย่างนี้ทีนี้ธว่มชาติชรามรณะเนี่ย ทำทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมจัดเป็นวิปากวัฏใช่ไหมเป็นวิปากวัฏวิญญาณนามรลกสลายยนะภาษาเวทนาแม้ในปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคตอันนี้เป็นวิปากวัฏอันนี้เป็นวิปากเพราะท่านถือเอาอนาคตที่จะมีต่อไปเพราะมีจัดปัจจุบันเหตุใช่ไหมอวิชชาเป็นต้นเหลเนี้นะอันนี้ชื่อว่าเป็นไปในปัจจุบันเหตุเป็นต้นหนึ่งคือตัณหาปราทานกรรมว่าอ ว, วิชชาสังขารเนี่ย น, นี่ก็จะให้วิญญาณนำโรูปตรยายทุนละภาสาเวทนาเป็นต้นต่อไปอันนี้ก็นี่ในบรรดาองค์ของปฏิสุงบาททีนี้ประการต่อไปก็คือว่าในบรรดาองค์ปฏิสุงบาทเหล่านั้นนะ น, นะในระหว่างสังขารกับวิญญาณจัดเป็นส่วนที่หนึ่งเนาะนี่คือส่วนที่สามคือการจัดเป็นส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อมกันระหว่างอะไรเหตุกับผลนะอธิเตเหตุปฏิบัตผล นี่ต้องขีดให้เห็นจะชัดอันนี้โพูดเอาแล้วก็นึกตามองเอาวิชาสังขารเป็นอดีอติาธาใช่ไหมวิญญาณนามรูปสลายใช่ไผัสสะเวทนานี่เป็นปัจจุบันหนาอัาเนี่ยระหว่างปัจจุนหน้าเหตุเอาออติตาเหตุกับปัจจุนหผลอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนี่นะไ ด, ได้ได้หนึ่งส่วนที่แล้วทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าเป็นการจัดนนะ ทีนี้ระหว่างคือการเป็นการจัดส่วนที่เป็นความเชื่อมกันระหว่างเหตุกับผลเพราะผลมีความเกิดเป็นโดยไม่ขาดสายเพราะเพราะมีเหตุ เ, เป็นปัจจัยระหว่างพบกับชาติเป็นส่วนที่หนึ่งนะระหว่างพบกับชาติปัจจุบันนเหตุก็นาคตผลใช่ไใช่ไหมระหว่างพบกับชาติส่วนระหว่างเวทนากับตัณหาก็จัดเป็นส่วนที่หนึ่ง อันนี้ก็เรียกปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุนี่นะซึ่งเป็นความเชื่อมกันเหตุกับผลผลกับเหตุเนี่ยนะเพราะเหตุมีความเป็นไปโดยไม่ขาดสายได้กเพราะผลจริงอยู่ทำมแม้ที่เป็นผลก็ย่อมเป็นปัจจัยแก่ทำซึ่งมีสภาพเป็นเหตุอย่าง อ, างอื่นด้วยเป็นต้นอันนี้อันนี้ก็ทําความเข้าใจนะนั้นก็พูดถึงในเรื่องของการส่นทิในปฏิสนธิ ว, วิพัง์และในคัมภีร์ทั้งหลายมีสมันตะ สมันตาปัฏฐานอันนั้นตาเป็นต้นเลนะในปัฏฐานเป็นต้นเลนะแล้วก็ไม่ได้กล่าวไว้ทีนี้เื่อย่อมย่อมทรงรู้คือย่อมทรงอย่างรู้ทรงเห็นคือย่อมทรงเห็นโดยประจักษ์ด้วยอะไรด้วยยานจักขุปอันเป็นดังทัศนะทรงทราบแล้วก็ทรงแทงตลอดอันนั้นเป็นไวัยพุทธกันแนะทราบเออแทงตลอดทรงรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแหละส่วนตังไม่แปลว่ารู้นะนั่นนะได้อัดว่ารู้แล้วได้อัดว่ารู้โดยสภาพตามที่มันเป็นจริงอย่างนะ เนี่ยความเป็นจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าสภาพพิษสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาปกปิดอยู่สัตว์ทั้งหลายก็ไม่ทราบว่าปฏิจจสมบาทนี่เขาเป็นเหตุเป็นผลแล้วมีกะสันที่เอเมนีสังเข็มีวัตฏะสามหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ตลอดกาลยาวนานเนี่ยแต่สัตว์ก็ไม่รู้แจ้งเมื่อสัตว์ไม่รู้แจ้งเนี่ยสัตว์จะรู้ได้ยงรรังไงใช่ไหมสัตว์จะรู้ได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปใคร่ครวดให้เข้าใจตามความเป็นจริงนั้นนะ แล้วแทนตลอดโดยประการโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่าหมายรู้ทั่วนะบัดนี้ท่านก็ประสงค์จะแสดงประโยชน์เดยนาดบอกว่าต่างถึงทรอรทิติยานในบรรดาคําเหล่านั้นนะธรรมเหล่านั้นได้แก่ธรรมเยวิชาเป็นต้นทรงรู้เห็นตามความจริงรู้ตามความเป็จริงด้วยญาณอันเปรียบไปด้วยมหาวิชาวชิระมหาวิชิระนี่แปลว่าเหมือนเป็นเพชรนะเนะ่ เป็นญานที่ใหญ่เนะี่ยคำว่าทรงนายก็คือทรงนายด้วยวิปัสนาที่มีกําลังทรงคลายกําหนัดทรงหลุดพ้นก็คือคลายกําหนัดหลุดพ้นด้วยอริยมรรคเชื่อมความก็วอารีระหีก็แปลทรงหักกรรมหักกรรมก็คือตัวเจตนาทั้งหลายเนี่ยนะเนะพราะจริงๆวิชาหมดไปตันหาหมดไปเนะนะี่ะพระโพธิพาเจ้าคลายกําหนัดหลุดพ้นในการใดในการนั้นชื่อว่าทรงหักกรรมเสียดได้แต่ต่อจากนั้นอ่ะ ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าหักกรรมได้แล้วคือทรงกํจาจัดได้แล้วกระทาลายได้แล้วถือในขณะที่ได้จัตสรู้แล้วจากนั้นอรหังเนี่ยนะทีรเรนนะเป็นพระนามของพระบรมศ า, ศาสดาหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วพระพุทธเจ้านามว่าอารหังเพราะได้ทรงหักกรรมมีสังขารเป็นต้นนะนะสังขารเอ่ยกรรมอภวะเป็นต้นเลยเนะี่ยคือสังสงสารตามที่ได้กล่าวนะ ถ้าผู้เป็นนาถของโลกได้ทรงกระทำลายซี่กรรมแห่งสังสารวัฏแล้วด้วยดาบคือพยานฉะนั้นพระผู้มีพรภาคเจ้าจึงนิมนามว่าอัลฮังเงนาะเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏเขายายอันเนี้ยมีจบแล้วมีเขาจะขาดกรรมแห่งสังสารวัฏือ่เหรอเขาเรียกว่าเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏ ทงทำลายข่าศึกคือกิเลสแล้วก็หากกรรมอย่างสังสารแจักได้แล้วนี่เข้าใจนะเขาเละทำลายซี ก, รรการเก่าคือดาบคือพยานเปน็นต้นได้เลยอระการต่อมาเนะ่ยเป็นผู้ควรบูชานะเป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยได้สักการะเป็นต้นเอาเลยทรนี้ขยายเลยเป็นผู้ควรบูชา เป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยนะในคำพีวิสุธิมัคท่านก็กล่าวเป็นไปตามลำดับเลยว่าพระพูทเวพระภาทเจ้าย่อมควรแก่ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษเพราะพระ อ, องค์ทรงเป็นทักทินนยะบุคคลชั้นยอดและเพราะเหตุนั้นแหละพระธาราคตอุบัติเริดขึ้นมาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนะ ชั้นที่สักใหญ่นะเขาเรียกามาเหศักเลยอ่ะสักชั้นใหญ่สักชั้นสูงเนะี่ยเราใดเหล่านั้นย่อมไม่ทําการบูชาหนะ้าที่อื่นเป็นความจริงนะท้าสามดีผมได้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยพวงแก้วขนาดเท่าภูเขาซิเนลูกนั่นดูดูที่มาลายของท้าของพรหมถ้าเอามาลายขนาดเท่ากับภูเขาซินเนลูกมาบูชาเท อ๋อบูชาตรงวันตัดสรุปบูชาบูชาวันตัดสรุปนักทนบูชาบ่อยๆนะของพวกนี้นะก่อนตัดสรุปท่านมากันเต็มหมดแล้ววันนั้นนะ่ะเท้าสักกามาตั้งน่นแสนกฎจักรวาลเนนีะ่ทุกจักรวาลเท้าส ก, กา่ามาหมดเลยมหาพรมทุกจักรวาลมาหมดเลยเอาพวงดอกไม้เท่าภูเขาจักรย์ยัวานกันอย่งนั้นมาบูชาเตรียมตกแต่งดอกไม้กันอย่างดีอ่ะอาบุญ ต, ตัวเอง่าบูชา เอาผลบุญที่มีหมดทั้งตัวเองเอามาบูชาอย่ไหมนั่นแหละมีแต่เราไม่มีอะไรไปบูชาตอนนั้นเนี่ยแล้วมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้าพขาบอกเทวดาทั้งหลายท้าวสามพอดีพรหมต่างๆเขาถือพวงแก้วขนาดเขาสศเีรุ่และทเวลละทวดาหลายๆใชอื่น ๆ, ๆก็มีพระเจ้าพิมมิสารพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บูชานะ แม้พระบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันทั้ิปีนี้ผานไปแล้วพระเจ้าทรงมหาราชกบริจาคทรัพย์เนาะเก้าสิบหกโกดสร้างวัดทั่วชมพูทวีปแปดหมื่นสี่พันแห่งเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงชั้นการบูชาชั้นพิเศษนะนะอื่นๆและวเพราะเหตุนั้นพระผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นนาถาของโลกจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาถึงแม้จะ เ, นเือบูชา ที่ประการต่อมาความความเป็นผู้ควรต่อทักษิณายะเลิศอัเศศ น, าานเลิศนึ่ทักษิณาทานอันเลิศหนี่คือเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาอันอุดมท่านก็บอกว่าจาักรรัตนะไม่มีจิตของพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติเกิดขึ้นโลกก็ทําการบูชาพระเจ้าจากักรพรรดินั้นเท่านั้นการบูชาวิเศษในที่อื่นย่อมขาดไปจะป่วยกาปยายถึงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สรึจอุบัติเกิดขึ้นเล่า สึ่งต่ำคําเมยที่ว่าเมื่อตถาคตได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วอีทาตถาคตโรเกอุกันโนพาตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เห็นไหมพระเจ้าอโศกประดังที่ได้กล่าวจักบูชาพระธรรมขันแต่ละธรรมขันด้วยการสร้างวิหารแต่ละแห่งแต่ละแห่งท่านกับพลานาบอกว่าโอ้พระราชาอุทิศถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและประสงค์เนาะพระยาโศกมาแล้วสร้างอุทิศถวายศาสดาเนะแด่พระศาสดาเนะ การบูชาดุวิเศษนะมากมายไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่เขาศรัทธาในพระบรมศาสด า, ศ า, ศาท่านก็จะบูชาในชะ่ไหมพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอรหังน่ะความเป็นผู้ควรแก่ปัจจนะัยเนี่ยอรหังแม้ด้วยความเป็นผู้เหมาะสมแก่ปัจจัยมีกีวอาหารมีนาบัดเป็นต้นและแก่การบูชาพิเศษโดยภาวะที่อันเป็นผู้ควรซึ่งทักทินายอันเลิศนะตรงนี้เขาบอกว่า ท่านอาจารย์ก็กล่าวประพันธ์คาถาบอกปูชาวิเศสังสหปัยเยหียัสมาอังอรหติโลกนาโทอัฏฐานุรูปังอรหันติโรเกตัสมาชิโนอรหตินามเมตังเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นนาถาของโลกนี้ทรงสมควรซึ่งการบูชาวิเศษจับด้วยปัจจัยทั้งหลายฉะนั้นพระชินเจ้าจึงสมควรซึ่งพระ น, นามว่าอารหังนี้ในโลกตามสมควรแก่อัต ด, ดังนี้เพระผู้มีพระเจา้ามีควรแก่การบูชาจริงๆนะพิจารณาอย่างนี้นะบางทีเราไปบูชาสักการะท่านเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยนะเอาเราจะเอาอะไรนาอบูชา ที่มันคู่ควรกับการตรัสรู้คู่ควรต่อบา ร, รมีธรรมคู่ควรต่ออัธยาศัยของท่านที่สั่งสมอัธยาศัยมีพระมหากรุณาที่คุณกับเราใช่ไหมแต่เราทําไมไม่เห็นคุณของท่านเลยนะเนี่ยมาพิจารณามาฟังธรรมก็าามาหลับหลั บ, ลบตื่นตืนเรคยคิดไหมเออเราบูชาท่านทำไมบูชาแบบนี้ทําไมมีความตั้งใจแค่เนี้ยเคยคิดถึงขนาดนั้นมหมยังคิดไม่ออกเนาะคิดไม่ออกต้องยืนต้องอย่าไปนั่งใช่ไหม ต้องยืนยืนฟังธรรมพอต้องคิดไม่ออกต้องยืนฟังธรรมแล้วก็ยืนเคารพอ่ะฟังอย่างนี้อะไรนะถือว่าเป็นการบูชาเลยเอาจริงๆนะถ้าไม่ขัดเกลาตัวเองอย่างนี้นะ่ะเข้าเนยะเข้ามันไม่ไม่สะอาดฝึกวะค่อยๆขัดเกลาไปทําแรงต่างเหล่านีน้บางทีเราไม่เห็นคุณท่านเนี่ยไอ้ตรงนี้นเราต้อเข้าใจจริงๆนะว่าจะทํำยังไง น, นนะเราจะ บูชาพระเจ้าเป็นท่าทีเนี่ยเราคิดว่าเออไปบูชาบอกคนนั้นบอกคนนี้แต่มันใช่รต่มันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยบูชาเราต้องบูชาด้วยใจด้วยการนอบน้อมด้วยการเข้าถึงจริงๆนะเนี่ยพิจารณาเพื่อกการละพายถ่ายถอนในการที่เราศรัทธาพระเจ้าจริงๆนะการศรัทธาพระเจ้าจริงๆเนี่ยไม่ว่านาที่ไหนเราจะบูชาพระเจ้าทุกๆุแห่งเนยนะถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้ก็แปลว่าสัตว์ของนั้นศรัทธาพราะบ ร, รมศาสดาเนีะ ถ้าอย่างนั้นก็เชื่อว่านักเดินเรียบเรียบและและไปนั่นนะตั้งศรัทธาขึ้นในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้จิตใจก็มนมองหาความสุขก็ไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปตนเองก็ไม่มีสารณะเพราะตนเองไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนะี่ยเออก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีสารณะเป็นคนอนาถาเป็นคนยากจนนะก็ามาพิจารณาอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนนั้นมาก็มนันนี่ยสมัยเราตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้ มันเป็นเพราะอะไรเนาะก็พิจารณาอย่งนี้นะทไมเราขัดเราโดยเองไม่ได้นะสักวันหนึ่งเราจะต้องตั้งศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้เราจะไม่ท้อถอยเพราะเราห่างไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้เหตุผลนะที่เราคิดคุณของพระุทธเจ้าไม่ได้ก็เพราะเรามีราคะมากเรามีโทสะมากเรามีโมหะเรามีมานณะเรามีทิฐิเรามีวิจิกิจามีอริกะมีอโนตตรามีอุทธะเนาะ มีความพุ่งซ่านมากมีความไม่ละอายต่อบาปมากมีความไม่เกรงกลัวต่อบาปมากเออมีถีนะัมิถะมากใช่ไหมมีความซึ้งซึมมากต่างๆ่างเหล่านี้ใจเราไม่ปลอดโปร่งในการฟังพระธรรมของพระพูทมีพระพาเจ้าเพราะเรข่ควรไปต่างต่าเหล่านี้ยมันทําให้จิตของเราเริ่มสงบเริ่มตั้งมั่นนะต่อไปเราจะต้องขัดเกลาตัวเราเองให้ได้จะต้องน้อมในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทมีพระพาเจ้าได้เี่ย ถ้าตั้งมนักสัการใส่ใจในรักอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ไปได้นะแต่ถ้าไม่ใส่ใจไม่ใคร่ควรไม่มานักสักการไม่พิจารณาตนเองอย่างนี้นะเข้าก็ไม่ยอมนะนักเข้าก็คิดว่าโอ้แค่นี้ก็พอแล้วดีล้วอะไรต่างเงี้ยเรายังดีไม่ได้ถ้ายังไม่ได้สัตยรู้แม้จะเป็นพระสดจาบัญท่านก็ยังบอกว่าท่านยังดีไม่พอเนี่ยนะเป็นพระสกาธา้าท่านก็ยังดีไม่พอเป็นพระนาคาท่านก็ยังดีไพอ เป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าท่านยังดีไม่พอต่อการเป็น พ, ะพะระอัครสาวกพระปเจกุฎิเจ้าพร ะ, พร ะ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมเออแต่ามาพิจารณาอย่างนี้ท่านเหล่านั้นน้อมขัดเข้าตัวเองทุกขณะเลยแม้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังน้องว่าเป็นผู้มากน้อยสันโดษนะไม่ละคนได้มูปาราลบความเพียร น, นั้นท่านยังมีท่านอยู่นะแปลกจริงๆฟังธรรมอันนี่แปลกนะพระอรหันต์ฟังธรรมอ่ะเออ น้อมการฟังธรรมนะพระดังหัน่ยไม่เกลียดธรรมผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนะผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญนะอืชอบฟังธรรมใครควรในธรรมคนเจริญก็ฟังธรรมคนชังธรรมมันก็เสื่อมใจกเขาหลุดแ ก, ก, กวก่าตามคําสอนของพระบรมศาสด า, าเออเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ตัดน้องขัดเก่าอย่างเนี้ย น, นทุกคนเกิดมาต้องพยายามขัดเกา่ายิงแต่ก่อนถามว่าในการสาธยายก็รทำเนี่ยมาเคยเหนืย เคยท้อไม่ท้อไนหะแต่เอมามันนึกใหม่แล้วอเราจะบูชาคุณของท่านเนี่ยของพระผู้มีพระเจ้าโดยการกล่าวพระธรรมแต่ในขณะกล่าวพระธรรมก็อยากเห็นบรรยากาศที่คนเคารพธรรมใช่ไหมเข้าใจไหมเนาะถ้าเราจะกล่าวพระธรรมก็อยากเห็นบรรยากาศของคนว่าคื อ, อผู้ฟังก็เคารพธรรมผู้กล่าวก็เคารพธรรมต่างไปต่างก็เคารพพระธรรมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เออเนี่ยเราไม่ได้มาทําบาปร่วมกันนะเรากำลังเจริญกุศลร่วมกันอยู่เงี้ย ถ้าเป็นไปในลักษณะนี้เจจิตใจมันก็น้อมในการที่จะบูชาใช่ไหมตอนนี้เราเอาอะไรบูชารู้ไหมเอาศรัทธาเอาวิริยะสติสมาธิปัญญาและเอากายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยในการนอกน้อมคุณของท่านในการฟังธรรมไหมหูของเราเนี่ยไอโซตธธาวานี่ยฟังสิ่งอื่นไม่ยอะนะมันฟังธีราฉานนักธรรมมาอย่างยาวนาะนในสังสารวัฏเนี่ยนะตาของเราเนี่ย มันมองสิ่งที่ผิดผิดพลาดพลาดมาเยอะแล้วใจของเราเนี่ยมันคิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเยอะแยะหมดแล้วต่อไปเราจะทำสามทวารนี้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนพระเจ้าใช้ตาดูพระพุทธเจ้าใช้หูฟังเสียงพระพุทธเจ้าใช้ใจคิดตามพระธรรมของพระภูพุทธเจ้าลองตั้งหลักดูทิถ้าตั้งหลักอยนี้เพราะวันนี้ตาเรายังเป็นไปได้อยู่ยังมองเห็นหูเรายังเป็นไปได้อยู่ยังฟังอะไรยังรู้เรื่องยังไม่บอดอยเลยนะ กายของเราก็สามารถจะเปิดรับกระแสะพระธรรมของพระพุทธมศาสดาได้เราก็ทําสุจริตสามไม่ตัง้งขึ้นดิกายาสุจริตมีไหมวจีสุจริตมีไหมมนโนสุจริตตอนนี้บาปอาคุศณอะไรมันแทรกใจเราไหมล้วก็ต้องมน้าสิ ก, การในการที่จะจัดออกนะขัดเกลาออกแบบนี้นะถ้าทําอย่างนี้แสดงว่าโอ้โหจิตเรานี่เป็นไปกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธมศาสดาแล้วเริ่มได้ดีแล้วนะนี่ไง ขบูชาพระรเจ้าอย่างนี้เขาเรียกบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอาศัยอามิสบูชาที่เราไปทํากันมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นต้นนะมะแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยมีพระธาตุก็มีใช่ไหมเออมีรูปพระเจดีมากมายเลยะก็คือเป็นเจดีเป็นสถานที่กวนสกการบูชาหมดเลยมีพระไตรปิฎกมีอัตถกามีดีกาด้วยเต็มไปหมดด้วยอา้าวแล้วตรงนี้ก็คือมี พระธรรมของพระบรมศาสดาอยู่นะตรงเนี้ยและที่ตรงไหนอะไรที่จะควรต่อการนอบน้อมอ่ะอันนี้ถือว่าครบวงจรเลยนะทั้งทวารตาก็ชัดมองไปมุมไหนก็เห็นพระผู้มีพระภาคยาวฟังอะไรก็เสียงก็มีเสียงพระธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมใจเราก็เพียงคิดตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเออแค่นี้ทำไมไม่ทํำนะนี่ก็กระตุ้นเตือนทำโยนดิสมนัษกการเป็นอุปาทกรรมมณัติกการมาป ก, กแล้ว ศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าทำได้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเริ่มได้ดีได้ดีแล้วประการต่อมานะคำว่าอรหังแปลว่าอะไรนะนะไม่มีการทำความชั่วในที่รับไม่มีที่รับในการกระทำบาปซึ่งต่างกับบคุคคลผู้มีราคะโทสะโมหะ คนที่มีราคะาโทสะโมหานี่นะเขาจะมีที่รับในการทำบาปพวกคนพานนะสำคัญตอนนูเป็นบัณฑิตจำพวกใดจำพวกหนึ่งในโลกก็ทำบาปในที่รับเพราะกลัวเสียชื่อเสียงฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่กระทำเหมือนบุคคลพานหรือคนชั่วเช่นนั้นพระองค์จึงทรงได้พระ น, นามว่าอลหังแม้เพาเหตุที่ไม่ทำบาปในที่รับทีนี้ กลัวต่อการอย่างที่ได้กล่าวว่ะคําว่ากลัวต่อการตีเตียงคือกลัวเสียชื่อเสียงอ่ะเพราะกลัวเสื่อมยศคือกลัวการถูกตําหนิก็ย่อมคําว่าย่อมทําชั่วในที่รับคือย่อมทําชั่วในที่ที่รับด้วยการคิดว่าอย่ากให้ใครใครพึงรู้กรรมของเราหรือกายกรรมวจีกรรมโนกรรมของเราที่เราทําลงไปเนี่ยขอให้ใครอย่าได้รู้เลยวนะเนี่ยคําว่าพราะพุทธเจ้าย่ำกระทําอย่างนั้นในบางครั้งหาไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้ากระท้ว เมื่อใจนั้นะกรทําอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงกระทาอย่างนั้นแม้ในการไหนเพราะเหตุว่าบาปตั้งหลายอันพระองค์ละได้ขาดแล้วหนะ้าที่โพธิมณฑลสถานนั่นเองข้อนี้ดังที่ท่านปัทพันก์ก็วไว้ว่ายาสมาณธีระโหนามาปาปกรรมสุตาทีโนระหาภาเวนเตเนซา อรหังอิติวุติโตพระผู้มีพระภาคผู้คงที่เนี่ยไม่ทรงมีสถานที่อันเชื่อว่ามีที่รับในการกระทาบาปกรรมทั้งหลายพระองค์ไม่มีเลยนะไม่ว่าในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะเหตุนั้นพระบรมศาสดา จ, จึงได้ขนานพระนามว่าอารหังเพราะไม่มีความลับไม่ทรงมีความลับในการกระทำบ ถ้าทไปพิจารณาอย่างนี้เราจะเย็นโอ้โหเนะพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นผู้ไม่มีรับไม่มีที่รับในการกระทำบาปเนี่ยอันนั้นคือในข้อที่5แห่งการที่อารหังนในข้อที่5้าประการต่อมาแต่เนี่ยอีกข้อหนึ่งนะคำว่าอารห่ะแปลว่า ในข้อที่6กนะความเป็นผู้ไกลาจากบุคคลที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญานะผู้ไม่ละลาคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิราหิริกานุตตะปเนะพระองค์เป็นผู้ไกลาจากบุคคลประเภทเหล่านี้บุคคลที่ไม่ฉลาดในธรรมไม่รับการแนะนําในธรรมไม่เห็นธรรมของพระเยซูเจ้าและปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบจงเป็นผู้ห่างไกลจาก ชนเหล่านั้นโอ้โหพุทจารย์เนี่ยอยู่ห่างไกลจากบุคคลเหล่านี้เลยนาะคนที่เป็นคนบาปนะทั้งหลายคนที่ปฏิบัติผิดต่อพระบรมศาสดานี่เนี่ยเหตุที่ว่าธรรมพิจารณาอย่างนี้ก็ทําให้เห็นอะไรรึมั้งเห็นโอ้พระบรมศาสดานี่ทรงอยู่ไกลไกลแสนไกลเลยเนี่ยอาจจะว่าเป็นผู้ไกลเนี่ยห่างไกลอย่างแสนไกลเนี่ยเําว่าไกลไม่ใช่ไกลธรรมดาเนี่ย เออถ้าเรามีราคาโทรศัพโมหะเกิดขึ้นแสดงว่าเราไกลหรือใกล้พระเจ้าไกลแบบแสนไกลไม่ใช่ไกลธรรมดานะไกลแสนไกลโอ้เนี่ยเนี่ยวิธีคิดอย่างเงี้ยมันจะไม่กล้าไม่กล้าให้กิเลสเกิดมาถ้าเกิด ร, รีบ ร, รีบระรีบละรีบละเพราะ อ, อะไรเรากลัวแล้วเร า, เราจะเป็นผู้ไกลจากพระพุทธเจ้าถ้าเราไกลจากพระพุทธเจนะ้าเน่ยแปลว่าเราไม่ได้ครบบัณฑิตนะ เราจะไม่มีโอกาสฟังพระสัตธรรมนะเราจะได้ไม่มีโอกาสเห็นธรรมตามความเป็นจริงนะไม่ประพฤติทำตามสมควรแก่ทําได้เลยถ้าไม่ประพฤติทำตามสมควรแก่ทําไม่ได้แล้วก็ตัดสรุปไม่ได้เมื่อตัดสรุปไม่ได้ไปแล้วเราเป็นผู้อยู่ไกลแสนไกลจากพระบรมศาสดาแล้วตรงนี้เนะก็ทรงอยู่ไกลแสนไกลจากอะไรชนเหล่าใดไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา เพราะความที่ทรงอยู่ไกลแสนไกลจากชนเหล่านั้นแก่บุคคลเหล่านั้นชนเหล่าใดไม่ได้ละราคะไม่ได้ละโทสะไม่ละโมหะไม่ฉลาดในธรรมของพระเจ้าไม่รับการแนะนําในธรรมของพระเจ้าไม่เห็นธรรมของพระเจ้าไม่ปฏิบัติและก็ปฏิบัติผิดเพราะบรมศาสดาก็ทรงอยู่ไกลแสนไกลจากชนเหล่านั้นเออท่านตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุเนี้ย บวชมาแล้วจะพึงจับชายจีวนของเราติดตามเราไปข้างหลังย่างทุกย่างก้าวทุกก้าวนี่นะแต่ภิกษุนะั้นเป็นภูมิมากไปด้วยอภิชาคือราคะในกามทั้งหลายบ่งมากไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสนี่นะมีจิตพยาบาทมีความดําบิแห่งใจเสียแล้วบ่งหมายความว่าโอ้โหดําบีที่ไรก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านนี่นะมีสติหลงลืมขาคาสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตฟุ้งซ่าน มีอินทรีย์ปรากฏดนะเธอย่อมเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากเราและเราก็อยู่ห่างไกลจากเธอโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะพิสูจเหล่านั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเรายโยธรรมังปสติโสมังปสตินะดูก่อนภิสูจทั้งหลายพรากว่าวัคคะลเออิเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสียแล้วผู้ใดเห็นธรรมเนะี่ยผู้นั้นเห็นเราเนะ่ยที่พระเจ้าตรัสนะเน อ, อ่ย จะว่าจะเออไม่ได้เห็นพระเจ้าเสร็แล้วผู้ใดเห็นธรรมะเชียวเห็นพระเจ้าไม่ได้เห็นธรรมะกายของพระเจ้าเสร็แล้วไม่ใช่ธรรมะกายกลมกลมเนาะใช่ไหมธรรมะกายคือโลกุตตระธรรม ก, า ก, รรรรมก้าวคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนาะงั้นจริงอยู่นะบุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะถ้าแม้ว่าจะเป็นท่องเที่ยวอยู่ในสำนักของพระศาสดาในเวลาเย็นในเวลาเช้าภิกษุเหล่านั้นควรกล่าวว่าอยู่ในสำนักของพระศาสดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้ แม้พระศาสดาจะควรกล่าวว่าประทับอยู่ใกล้พิสุเหล่านั้นก็หาไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเพระบรมศาสด า, สดาทรงพระ น, นามว่าอารหังเพราะอาจจว่าทรงอยู่ไกลนะห่างไกลจากอสสัตบุรุษทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตเป็นต้นใช่ไหมท่านประพันธ์เป็นคาถาบอกว่ า, วาสั ม, มะปัติปัชชันติเยนีนาสยานรา อรากาเตหิภควาทุเรเตนารหังมโตบริษัทใดเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกแลวบาศิกาเนี่ยเราใดมีอัธยาศัยเลวไม่ปฏิบัติชอบพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไกลคืออยู่ห่างไกลแสนไกลจากพุทธบริษัทเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้นจึงได้รับขนานพนามว่าอารหันต์นี่นะเือเราจะเป็นภิกตูภิกษุนีอุบาสกุบาสิกาเนาะเ อ, อ้ยตอนนี้เราจะได้นั่งกายพูติเจ้าพระเจ้าจะประทับกายเราหรือไม่กม็ต้องดูว่าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นไหมเราอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเราปฏิบัติชอบหรือเปล่าไม่ปฏิบัติผิดหรือเปล่า ถ้าเราปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบโอ้ยเนี่ยเราจะเป็นพวกไกลแสนไกลจากพระาศาสดาพระาศาสดาก็ไกลแสนไกลจากเราน่าเสียใจนะใช่ไหมถ้าเราจะท่องเที่ยวจากบ้านสู่บ้านจากพบสู่พบจากเมืองสู่เมืองไปไหว้ถึงอินเดียแต่เราไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเสียแล้วใี่ที่มันคือปล่อยให้ราคะโทสศโมฮาเดนในกระแสจิตอู้นา่าคิดมากเลยถึง น, น, นี้ก็ไปค่ายควรนะตอนนี้พักกันก่อน ล้วสึกจะเริ่มจะอยู่ไกลภาษาสุดากันมากขึ้นมานะ